ลังทรรมก่นเนาะเพื่อจะนำไปปฏิบัติให้เกิดทรขึ้นมาเจ้ตัวเองที่เป็นศาสนาธรรมไม่ใช่เป็นพิธีไม่ใช่เป็นวัตถุไม่ใช่เป็นผู้คนตัวตนเป็นศาสนาธรรม ศาสนาธรรมอันเป็นไปเพื่อความบ อ, อกจากทุกเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่ อ, อนิพพานนี่เรียกว่าศาสนธรรมธรรมใสิ่งที่จะให้เกิดศาสนธรรมที่กายที่ใจหลงคนนี้เกิดที่อื่นไม่ใช่ศาสนธรรม ศาสนาธรรมก็เกิดต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจของคนที่ยังไม่ตายนี่อันเป็นไปเพื่อความออกจากทุกข์ออกจากทุกข์เมื่อยังไม่ตายนี้่เป็นไปเพื่อความสงบก็สงบในเวลาที่ชีวิตอยู่นี่เป็นไปเพื่อพระนิพานก็พระเกิดพระนานขึ้นขณะที่มีชีวิตอยู่นี่ เราจึงต้องทำอะไรเพื่อสาธารณธรรมให้มันเกิดขึ้นมาวันชาวนาอยากจะได้ข้าวต้องทำที่จริงที่เกิดขึ้นกับข้าวเพื่อจะให้ข้าวเกิดขึ้นมาเพื่อจะได้ข้าวมากินเราจะชื่อเงื่อที่ดาชื่อข้าวชื่อถั่วชื่อข้าวปุ๋ยข้าวพันหาเครื่องสูบน้ำหาแหล่งน้ำ ก็ต้องอาศัยสิ่งที่เกิดให้เกิดขึ้นให้เข้าเกิดขึ้นมาจิงจะเรียกว่าทำนาอนนี้เรามาทำกรรมมาฐานเพื่อให้เกิดสาสนทธรรมศาสนธรรมนัน่นเกิดขึ้นตีกาที่ใจนี่ มีสติผลกายอยู่เป็นประจำนี่ที่จะให้เกิดสาานธรรมมีสิ่งที่ให้เกิดขึ้นมาเพื่อเป็นไปเพื่อความสงบความทุกขไม่ทุกความปรนิพานผลกายอยู่เป็นประจำในความเพียร ใสใจให้เห็นให้ปลูกให้รู้สึกตัวอยู่เสมอถึงที่ไม่ใช่จิติที่สาติธรรมก็เกิดขึ้นมาบางโอกาสแล้วก็ถอนออกจังให้สติธรรมอยู่แทนเหมนกับ ว, ว่ากายสุวาไกว่าใช้สารรัตว์บุคคลตตนโลกเขาเห็นให้ อย่นี่แหละว่ า, าศาสตร์ธรรมจะเกิดขึ้นที่กายแต่ว่าที่เห็นที่รู้นี่ก็เป็นาศาสตร์ธรรมที่เกิดขึ้นที่จิตใจฉุกเกิดทุกจะเกิดขึ้นกับกายกัยบใจก็ได้ว่าสักแต่ว่าสาอย่าให้ฉุกมันตนฉุก neatly. อย่าให้ทุกข์มันเนทุกข์สัจธรรมธรรมสัต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสุขว่าทุกข์ เหรอจิตที่ม <Jub ilee> ันชิดขึ้นมาสักแต่ว่าจิตซะอยาให้จิตมาให้เป็นตัวเป็นตนตัวตนเลเขาเกิดทุกข์เกิดสุขพอใจไม่พอใจมัเป็นตัวเป็นตนไปทางอื่นนั่นก็สักแต่ว่าสะให้ให้ที่ทำเกิดขึ้นการในใจถอนสิ่งที่ไม่เป็นธรรมออกไป ให้รู้สึกตัวทําทั้งหลายที่เกิดขึ้นก็จักแต่ว่าทําซะแม้จะมีความไม่เที่ยงเกิกกาาดขึกก้นก็จกัจธรรมความเปรนทุกเกิดขึ้นก็จักแต่วจธรรมอะไรเกิดขึ้นมาเจยบกายกับใจก็ให้เป็นงานการสร้างสรรค์ขึ้นมาให้จักแต่ว่า อยาเข้าไปเป็นกับสิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็มีมากสิ่งที่เกิดขึ้นต้นคนปลูกข้าวแทนที่จะได้เข้าต้นข้าวเกิดขึ้นหญ้าขึ้นมาแสงขึ้นมาต้นข้าวก็ไม่งามป็งถอนออกถอนที่ไม่ใช่ต้นข้าวออกไป แปลว่าถอนหรือที่ไม่ใช่ทำออกไปเคยสักแต่ว่านี่เป็นคำถอนมันไม่ยากับปูกข้าวถอนต้นหญ้าตากแดดตากฝนน้องอยู่นอนอยู่ยืนอยู่โดนอยู่มันเกิดขึ้นได้ทุกแบบความจุกความทุกข์วามโกรูปลหลงเกตบตัห้หนาละคะ งหาหาหงเหงาหอนนอนหลับเสงใจคิดฝุ่งชารเกิดขึ้นได้ก็ถอนดอกให่รู้จักตัวสาให้เป็นแหล่งความรู้จักตัวเกิดขึ้นทีกาที่ใจให้กาให้ใจเป็นสิ่ที่ปลุกอาศายัยแห่งความรู้จักตัวเป็นที่เกิดของความรู้จักตัวไ ม, ม่ให้เกิดปรนจุกเ ป, ป็นดุกเ ป, ป, น ป, ป็นดีใจเสียใจเป็นชอบมาชอบ อาจจะเคยใช่แบบนั้นมานานแล้วอาจจะคุ้นเคยกับจริงเหล่านั้นพอมาทำลงไปมันก็มาบ่อยมัน เ, เคยใช่มันเคยอยู่พอใช่ไม่เป็นอะไรเกิดขึ้นมาพอใจไม่พอใจถอนออกมาให้รู้จึกตัวตรงนี้ตรงทวนกระแักหน่อย ต้องใส่ใจสักหน่อยนั <c oughs> ่นยังจะหมดไปเห็นแจง้งเห็นความเท็ความจริงในริ่งที่ไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องจางนี้เลยว่าสร้างศาสนธรรมโดยวิชากรรมาฐานเป็นเครื่องมือแล้วก็มี ไม่ได้หาไม่ได้ขอจากใครมีสิทธิทุกโอกาสทำได้ทุกเวลาไม่มีการไม่มีเวลาแล้วก็มีสถานที่มีวัฒธรรมมีประเภทดีมีไอคีพยอย่างนี้เท่านั้น แล้วผมสะดวกจอกวัาท่รนทประเพณีศาสนาทำเรื่องไนคำสอนที่พระพุทธเจา้าอุปบัติขึ้นมาสร้างเป็นแหลงเป็นทางเอาไว้ให้ได้สะดวกในการทําเรื่องนี้หลวพ่อเหม็ ม, มีประโยชน์กูดีช่วยเราก็ได้ประโยชน์ ผู้ที่ทำก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยังเรียกว่าเป็นบุญใหญ่เป็นอา น, นิสงส์ใหญ่บุญอันใดความดีอันใดก็ไม่เกิดขึ้นได้มากบาบคนจะเป็นคนดีเราทำช่วยเราก็เพื่อช่วยให้คนเกิดเป็นคนดีเมื่อคนเกิดเป็นคนดี เขก็มีความเจ็บเขาก็เป็นที่อาศัยคนดีใครก็ใครก็อยากได้คนดีอยากมีคนดีมีลูกก็อยากได้ลูกเป็นคนดีมีผัวมีเมียก็อยากได้ผัวเมียเป็นคนดีมีพี่มีน้องก็อยากได้พี่น้องเป็นคนดีมีเพื่อนมีมิตรก็อยากได้เพื่อนมิตรเป็นคนดี นความคิดเหมือนกันเช่นพ่อแม่ที่ให้ลูกได้ลูกเกิดมาก็อยากให้ลูกเป็นคนดีอันนี้เป็นสวนหลวมมันเดียวกันวิธีปฏิบัติในชีวิตในการในใจเพื่อให้เกิดความดีนีว่าศาสนาธรรมนี้จึงเป็นความชอบที่สุดเรามีวิธีปฏิบัติให้เกิดศาสนธรรมนี่ ได้ง่ายสะดวกยังพระเจ้าจะงตัดว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้จากนี้แล้วก็ยังผู้ที่มีผู้มารับิดชอบเรื่องนี้ตัว่าพระสงฆ์สังฆะหมูสงฆ์รวมกันเป็นหมูเป็นคณะเพื่อทำเรื่องนี้ขึ้นมา สร้างสีบทล้อมขึ้นมาอานวยความจะดวกให้ผู้ปฏิบัติขึ้นมาให้เกี่ยวกับสาสรรมเกิดขึ้นที่คนเปิอชอบขึ้นมาก็พาธรรมวัดส่วนนนท์อาชิงบดลอมที่ได้ดีได้ยินได้ฟังได้สาธยายกับวาจ้ากับปากกับกายกับใจสอมพัดก็ ตอนไมู่กน้ำฝนล้มผัดลงไปก็จะช่่งเย็นตัววันตัวคืนได้จิงเวอรลอมดีก็เป็นไปได้วิธีอะไรก็มีแต่สาสนธรรมการามผมจีวรก็ศาสนธรรมการาฉันบิดาบาดอาหารก็เป็นศาสนาธรรม การอยู่เฉยนัสสนะก็เป็นสาสนธรรมการยินย่ารักษาโลกก็เป็นศาสนธรรมนี่เดี๋ยวว่าสิงเวีทล้อมอาจจะเป็นเรื่องง่ายขึ้นมาบ้าง งันเราเป็นภาชนะใส่อาหารกินแล้วก็อาจจะดีกว่ามือใส่ถ้ามือใส่ก็ถือว่ามือเป็นภาชนะเหมือนลิ่เปือยมานุ่งเชื่อผ้าไม่มีอะไรเวลาไปขอข้าวจิงเอาใส่มือ ใส่มือเขาใส่มือก็จินมติดมือคามือไปทั้งเปิดทั้งเปลือมไปขอกินมาเดินกับเดียมือได้ก็กิ้มไปขอได้ก็กิ้มไปแต่วันนี้ก็ยังมีอยู่ประเณีวัฒนธรรมของคนประเภทประเทศนี้ก็ยังม่อยู่ เขไม่มีชนก็ไม่มีอลารเช่นนักเรียนไปออกข่ายไปพบกันอยู่ที่ถ้ำอัชันตานักเรียนไปเที่ยวกับครูถึงเวลากินข้าวก็ ก, ก็มีห่อข้าวใส่ใบตองวางลงเป็นแถวไปแลก็นั่งเอาเมื่อเปิดกินเปิดกินเปิดกินแปิกิน แต่เขามักจะมีกรติกน้ำทุกคนจั้งเดียยวทั้งมือทั้งกินกินอิ่มแล้วใบตองก็ไม่ต้องเก็บทิ้งไว้ด้านเดี๋ยวก็มีหมูป่ามีวัวมีควายมาเก็บให้อาเรว่าสุขขาคือวัวคือควายคือหมูป่า ไม่อยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองก็งไม่ทำลายสัตว์ประเภทนี้อันนี้ยังมีอยู่การปฏิบัติธรรมมีรูปมีแบบมีสาสนิพิธีสารวัตุศาสนชาบุคคลศาสนาธรรมอหนวยความสะดวกให้เกิดฐาศาสนาธรรมขึ้นมา เมื่อเกิดสตอมขึ้นมามันก็ไปทิศทางเั็นไปเพื่อออกจากทุกข์จริงๆเป็นไปเพื่อความสงบเป็นปไดเพื่อนิพพานเช่นเห็นวันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้มันแกเห็นมันแก่ไม่เป็นผู้แก่มันเจ็บมันตายเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายนี่ มันถดลงมาตั้งแต่งานแล้วถดตัแต่ความพอใจความไม่พอใจถนออกมาแล้วไม่ใช่ตัวตนแม่เความพอใจความไม่พอใจมาเป็นตัวกันตนสักแต่ว่าเห็นความไม่เที่ยงก็สักแต่ว่าความไม่เที่ยงไม่เป็นอย่าง น, นั้นก็ไม่เป็นทุกข์เพราะความไม่เที่ยง จึงเป็นไปเพื่อปาฏิญญาพันจนเพื่อเพิกหัวจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบไม่ใด้คุงจะ่ไล่นเป็นหน่อยแต่เราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดก็แล่นไปไกลอะไรเกิดขึ้นมาก็เล่นไปใจห่วงใหญกังวลทิศหวงลูกหวงหลานห่วงชอบสิ่งแสดงขาน มัก็ไปไม่ได้ก็องไปเชือกผูกคอผอผูกศกปลอก ข, ขาเรียกว่าวัฏฏะสองสันแม้แต่ความโกรธเรื่องเก่าโกรธแล้วโกรธอีกมันเป็นวัตฏะสองสันมนุษย์คนนี้ไม่ใช่สัตว์รนฉันมันติดวิญญาณมันมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันติด แ, แต่มันจะติดอะไรก็เป็นอย่างนั้นติดกล่อมหลงก็เป็นวิญญาณแห่งขนหลงหรือว่าโมหะจะหลุดปลิดราคะจะหลตัณหาก็เรียกว่าลาคะจะิลุดเปิดโทสะก็เรียกว่าโทสะจะหลุดต่อไป ฝึกขัดก็ติดคุตทะจลิตรู้ตื่นทุกเรื่องทุกราวเราไม่หัดก็เป็นไม่เป็นต้องหัดเกิดมาใชใ้เป็นเลยไม่ได้นความดีส่วนมากมันจะไม่ค่อยดีที่มันเกิดขึ้นมาถ้าไม่หัดว่ามันมีเหตุมีปัจจัย สึงเวทล้องตาก็มีรูปเป็นคู่หูก็มีเสียงเป็นคู่จมูกก็มีกลิ่นเป็นคู่ดิ้นก็มีรสเป็นคู่กายก็มีสัมผัสเป็นคู่จิตใจก็มีอารมณ์เป็นคู่มักจะไหลไปสู่ทางต่ำน้ำไหลาจากที่สูงมักจะไหลสู่ตรงที่ต่ำเรื่อยๆไปก็ไม่หัด จนแม่น้ำทุกสายในประเทศในโลกก็ย่อมไหลลงสู่ทะเลเมื่อถึงทะเลก็ลายเป็นน้ำเค็มใช้ไม่ได้ดื่มไม่ได้อยู่กลางน้ำโกรธน้ำตายแต่ดื่มก็ตายแม้แต่ต้นไม้ก็ตายยึดเราก็เหมือนกันตายหลงคือคนตายแล้วหลงเป็นหลงคนตาย ทุกเป็นทุกก็คนตายไปแล้วไม่มีชีวิตที่เกิดมาหลงเป็นหลงทุกเป็นทุกโกรธเป็นโกรธหมดตายไปแล้วตายกับความหลงตายไกับความทุกข์ตายไปกับความโกรธไอ้สิงลดของโลกทับถมเราจะทําอย่างไงมีจริงๆโลกนี่มีรสชาติจัดโลกยอมติดรสชาติ มันปลาติดเบ็ดเพราะมันมีเหยื่อเหมอนก็นติดรสชาติมันจึงหลงจึงมีวิธีที่เกิดสาะสะรารธรรมขึ้นมาเพื่อฝึกตนสอนตนเตือนตนแก้ไขตนให้เป็นคนดีแล้วก็มีสิ่งที่เกี่ยวข้องในโลกนี้ เ ร, เราเป็นคนชั่วทั้งหมดโลกก็นก็ทิพย์หอยที่มันเหลือเช่ออยู่นี่ก็เพราะคนดียึดเหล่าที่พัวอยู่ได้ก็เพราะความดีคือธรรมเราเคยโกรธแต่คนไม่โกรธกร็ยังช่วยเราอยู่พวขงโกรธหายไปคนไม่โกรธขึ้นมาแทนจะช่วยได้อยู่ แต่เรามาช่วยความไม่โกดให้งอกงามให้มากขึ้นมักจะต้อนรับอะไรเกิดขึ้นมาพอใจไม่พอใจมักจะต้อนรับรถของโลกอย่างนั้นตอนที่จะถอนออกมาลู้จากตัวซ้าม่ค่อยทำกันเป็นล่อมเป็นสานเป็นอาชีพกอกเราอยู่ในวัด สิกขาและทำเป็นคือเรื่องชีวิตของพวกเราเป็นอาชีพไม่มีอาชีพเรื่องนี้ไม่ต้องทำมาหาจินอันใดค้าขายทำสวนทำนาทำไร่ไม่ต้องทำมีอาชีพเรื่องนี้เมื <ME> ่อ <U IS> มีอาชีพได้แล้วเป็นกอบเป็นกรรมเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาไปบอกไปสอนคนอื่น พระสงฆ์ปฏิบัติชอบหมู่ชนผู้เชื่อฟังคําสอนปฏิบัติชอบตามทำไม่นายเรยว่าพระสงฆ์ปฏิบัติแล้วสองขึ้นแล้วลูกตามด้วยนี่คุณพระธ ต, ตายแต่เมื่อลูกจริงแล้วก็อดไม่ได้จริงๆขอใช้ชีวิตชอบบอกความผิดความถูก ก่อคนสดหัวใจคนที่เคยทุกข์คนที่เคยทุกข์ก็ย่อมเห็นใจคนที่ทุกข์คนที่เคยเจ็บก็ย่อมเห็นใจคนที่เจ็บคนที่เคยเหิวก็ย่อมเห็นอกแห็นใจคนที่คเคยหิวคนที่คนหิวเมื่อเห็นดอกแห็นใจกันก็ช่วยกันไม่ได้ปล่อยกันทิ้งคนใดเวลาทุกข์ไม่เคยพ้นทุกข์ก็ามาจอดช่วยกันหรอก คนที่หิวไม่เคยช่วยก็ไม่รู้จักคนจนทุกความหิวก็ไม่รู้จักช่วยคนที่หิวว่าเขาไม่เห็นตัวของเขาเหมือนคนเหมนคนตกน้มก็เฉยไม่ได้ต้องช่วยเหลือ ตัขึ้นมาขึ้นมาฉะนั้นคนเรานี่จะต้องเอาใช้กันได้จริงๆถ้า ม, มีทำถ้าไม่มีทำก็ไม่ได้เอาเปรียบแล้วตัดเปรียบกันคนโงกอเอาเปรีย บ, บ, บคนที่ฉลาด เป็นอันหมดพบวงจรหมดแม้แต่อาชีพการงานเอาเปรียบคนจนก็จนลงไปคนรวยก็เวยลอนฟ้าจึงไม่เหมือนเศรษฐีสมัยขัง้งพระเจ้าอาถรรพ์นี้ก็เศรษฐี ช่วยคนอื่นมากมายสั้างวัดสร้างว่าเป็นยมวัฏถากพระเจ้าเราจึงเฉยไม่ได้เรื่องนี้เพราะเจาของช่วอยู่ที่คนเราไม่บอกเขาเราก็เดือดร้อน จึงเป็นหน้าที่บอกถ้าได้บอกแล้วเขายังไม่ดีข็ไม่ใช้ความผิดของเราก็จอมยอมลำบากาเพราะขอทำชั่วต้องระวังไปทางไหนทิศใดก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยหลังพูดหังกล่อมเราไผมือสองเราไม่เป็นผู้ผิดเขาผิดทําก็ทำให้เราเดือดร้อน จุกภาพเมื่อสอนเราไม่สูบดีเขาเหนื่นยเขาสูบเราก็เดือดร้อนคนเขาเมาขอบๆรถชนเราแล้วก็เดือ ด, อออออดรด้ อ, อนเราไม่มเมาลงมีสติที่อยู่แต่คนขาดสติคนหลงมีมากเราจึงเป็นหนี้ของพวกเราที่จะต้องบอกต้องสอนบอกผิดบอกถูก ว่าความทุกข์มันไม่จริงความไม่ทุกข์มันจริงมันมีอยู่มันมีอยู่ความทุกข์ความดับทุกข์มัมีอยู่ดับได้อยู่พระเจ้าประกาศจากนี้ทุกของอเลชิตจังอาเวตบบันติเมพิกเวออเ ม, อเมสุสเตสุวิสตเตสุมีอยู่ ความทุกข์มันไม่อยู่ว่าไม่สบายกายของไม่สบาใจเป็นทุกข์มันไม่อยู่คว า, ามคลั่งไคใจวาตาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั่นก็เป็นทุกข์มันไม่อยู่ความภาคภัจากของลอกของชอบใจมันเป็นทุกข์ก็ยังไม่อยู่ ความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์ก็ยังมีอยู่ความไม่เก็บไม่เจ็บไม่ตายความไม่ทุกข์ก็ไม่อยู่จึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายปล่าให้คนเป็นทุกข์นี่มันเป็นความบกพร่องเพราะมันกระทบกระเทือนเราต่อโลกด้วยไม่ใช่เราคนเดียวแล้ก มีไฟอุทกกับไฟมีไฟเกิดจากน้ำก็มีไฟธรรมชาติวาตอภไฟไฟเกิดจากลมก็มีในโลกนี้ตะชีไฟไฟเกิดจากไฟก็มีในโลกนี้โจรลภัยไฟเกิดจากโจรผู้ล่ายก็ยังมีอยู่ในโลกนี้ เราจะไปปาบแล้วปาบไม่หมดถ้าไม่เริ่มต้นที่ตัวเรามาสอนกันเรื่องกรรมฐานนี่อภิษฎเรื่องนี้ให้เขาได้เห็นตัวเขาเหตที่เกิดก็จะที่เหตุโน้นไม่ใช่ไปฆ่าเขาเม่าคนก็มาค่อยถกเหตุกัรที่คนทงชั่วนำมาพบเหมันหลง คนฆ่ากันตายเพราะมันโกรธมันหลงมันโลภเปี่ยดเปลี่ยนกันเอาเปรียบกันเพราะมันโลภเพราะว่าการมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกมาได้เนี่ยเหตุมันอยู่ที่นี่ถอนลงมามีสติความเพียนเครื่องของเฉลี่ถอนลงมาหน้าน ล, ลังไม่เป็นเลี่ยทำไมเศร้ามอง คนโทษเจ้าตัวเองและคนอื่นอะไรเกิดขึ้นมาถอนออกมาอยากสี่ด่านนี้ได้มันก็ง่ายกับไปได้เม่อโดยเฉาะถอนออกมากายเวทนาจิตธรรมเริ่มต้นอยู่ที่นี่เหมือนกับ เสวได้แล้วเันเส้นทางไปได้แล้วเดินไป้ได้แล้วเดินไ ป, ไปนไปบ่อยๆถอนบ่อยๆมัจดลงจะเตียนขึ้นมาเป็นทางแล้วก็บขุกขาดหน่อยหนึ่งลงแล้วลงอีกขุกขาหน่อยหนึ่ ง, ง, ง, กกงต่อไปต่อไปก็เปลี่ยนลงเป็นลูเรื่อยไปก็เรียบขึ้นเรียบขึ้นเรียบขึ้นกลายเป็นทางเรียบ เป็นมิตรภาพราบเรียบเป็นทางสะดวกเมา่อันเกิดความสะดวกไหลไปสู่ความดีเยียงไปไหลไปสู่มรรคส่ผลไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นก็เป็นคนคนเดียวกันยียงไปไหลไปสู่มรรคส่ผลหวนน้ำไละจากตัชูงสูทท่ที่ต่ํา แล้ต่ำที่ต่ำทะเลเหมือนหาจุดเป็นมาก่อนนิพานก็หลไปจุดเท่านั้นลุล่มลึกลงไปเวลาเดียวกันหน่วยน้าําอะไรต่างๆลดต่างๆกลายเป็นน้ำลดเข้มเหมือนกันหมดไม่ทำเป็นทำเหมือนกันหมดนคนคนเดียวกันเดินคนเดียวไปทางเดียวถึงที่เดียวกัน เป็นคนคนเดียวกันนี่ธรรมะเป็นอย่างนี้เรียกว่าศาสนธรรมหมายถึงหลักนิยกายชาติภาษาเพศวัยไม่มีจิงได้อ้างศาสนธรรมนี่มีสิทธิยกชีวิตนั้นหลงหรือมีสิทธิไม่หลงเปลี่ยนได้ ฝันโกรธมีสิที่ไม่โกรธเปลี่ยนได้ฝันทุกมีสิทธิไม่ทุกเปลี่ยนได้อย่าเพึ่งด่ากันอย่าเพึ่งฆ่ากันอย่าเพิ่งเอาเปรียบกันอัดเปลี่ยนได้เป็นดีอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมไปบังคับกันไม่ได้ต้องทํำเองปฏิบัติทําผู้ปฏิบัติต้องทองิชชู ด, ด้วยตัวเอง ปฏิบัติได้ผลได้ไม่จำกัดกาผู้ปฏิบัติจ่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรูกควรเห็นตามทุกคนเจ่ผู้ปฏิบัติตามแช่ไหนวิชากรรมฐานสีจังหวะเคลื่อนไหวสิบครั้งมีรู้ทุกครั้งไหมตามทุกคนเจ่ผู้ปฏิบัติ พวกงุนคุนคิดในรบที่คุนคิดไม่รู้จักมีสติมันก็ไม่ใช่เวลาเท่ากันแต่ใช่คนละแบบเหมือ น, นพระเจ้าตัดว่าไม่ประมาทใ น, นเมื่อฝืนประมาทตื่นอยู่ใ น, นเมื่อฝืนหลับย่อมละคนโง่ไปไกลเหมือนมามีผีเท่าดีละมาที่ไม่มีกำลังฉันดัน้น เวลาเท่ากันนักเรียนชช่นเดียวกันต่อไปจะไปคณะทางต่อไม่อยู่ที่ความสสยใจแต่ก่อนเป็นเด็กในห้องเรียนเดียวกันแต่ผู้มีความตั้งใจศึกษาเราเรียนก็ไปกลาผู้ไม่ศึกษา เ, าเรียนก็เป็นโจนผู้ไอดไปอยู่ในคุกในตารางมีเหมือนกัน ผู้ตั้งใจทั้งศึกษาเราเรียนนี้ก็ไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความชุกสบายไม่ทุกข์ไม่ยากไ่โอไม่อยากันที่ไม่ตั้งใจก็ทุกข์ทุกยากทั้งอดทั้งอยากมันต่างกันเพราะ ก, การกระทํากรรมเป็นสิ่งจำนาศัตว์ประมาทไม่ได้ใจิตใจเนี่ยทดลองไม่ได้มันอยู่ที่ใจเป็นใหญ่ การหัดใจก็เนี่ยละกันคือกรรมฐานนี่เขาหวงจรตอใจไม่ดีแล้วกิตไม่บริสุทธิ์แล้วการงานก็ไม่ชอบเพศเลี้ยงคิตก็ไม่ชอบบอกหลวงเขาเลี้ยงคิตพ้นขี้หาชับแต่การดอกหลวงถนท่าละเอียบวิ่งไหนก็ไม่มีสังคมก็ไม่ดี ผิดไปเลยอาจิตนันไม่พึงหัดจิดเป็นใหญ่จีตเป็นหัวหน้าเถือน้าไม่หัดเถื่อนที่จุดจิตนี้เรามาศึกษาดูเออกมาคิดได้ทุกอย่างพอหัดมันก็เห็นความคิดตื่นความคิดเป็นเรื่องหยาบคายที่สุด แต่ไม่หาตั้เอาเรื่องกลายเป็นเรื่องหยาบคายแต่ข้าเขาไปด่าเขาจึงผิดบทหมายอันกิดที่มันคิดไม่ค่อยปรับปีเตียงมันตัวร้ายคือมันคิดขึ้นหลงตัวเนี้ยพอมาฝึกรรมฐานเขา้ามันจะเห็นตัวเนี้ยเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกิตที่มันคิดขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจเนี่ยโอ้มันโชกโ ป, ปกที่สุดเลยยิ่งเราเป็นนักปวด ผมจีบอันยังคิดอยู่หอกร่วลนแล้วอยู่ในวัดบินเทร์บาทเข่ากเพราะว่า ย, ยังคิดอยู่เลยสุกปกที่สุดเลยมันก็เลยอายมาแต่ความคิดไม่ก็คิดไม่คิดไม่ได้เด็ดขาดที่คิดความชั่วเนี่ยละอายกิลอ้ายกิด ได้วความชั่วเกรงกลัวตบะเกิดจากสตินี้เป็นเทวธรรมในโลกถ้าผู้ใดละอายตกควงกิดได้เกิดต้งตนที่ไม่นิดไม่ดีแล้วก็ไม่กล้าคิดชั่วไม่กล้าพูดชั่วไม่กล้าทําชั่วชื่อว่าเทวธรรมเทวะโลกเทวดาเป็นเทวดาเทวธรรมในโลก หรืออุจปาสัมปันญังสุขสัมภิาสันโตเทวธรรมมาติมุจเจเลตผู้ใดมีความหลายต่อความคิดหลายต่อตัวเองเนี่งกลัวต่อความคิดกลัวบาปกลัวทุกข์มันเกิดจากความคิดคคนเนี่ยว่าเทวธรรมในโลกเทวดาเป็นใหญ่ในโลกคุ้มคลองโลกเป็นโลกกบาลคุ้มคลองโลกบาลบาลละเหมือนหลวงไพบาลคุ้มคลองลลรองภภองักษาโลก ทำให้โลกไม่เดือดร้อนก็เป็นเทวดาก็เป็นได้จริงๆริงเลยปฏิบัติธรรมลองพิจารณาถามมาเป็นพระได้ไหมเป็นได้เป็นเทวดาได้ไหมเป็นได้จากนี้เรียกวัาธรรมรู้เจ้าจึงดรียกว่าเทวดา ม, ามังกรพม การตัดรทูที่เลือกที่เราสวดธรรมาจักกล่าวถึงพวกนี้เทวด า, ามารพรหมมนุษย์อต่างๆรู้ตามเป็นครูผู้สอนเทวดาบาลผมและหมูสัตว์รรับรู้เท่รู้ตามเรื่องนี้ ทำเป็นเป็นใหญ่ไม่ใช่ระบออ้อนวอนไม่ใช่อะไรเป็นใหญ่กว่าทำที่มีเทวธรรมที่มีอินมีพรมเมตตาคุณาความเป็นใหญ่คิดอะไรเพื่อเมตตาพูดคำอะไรเพื่อเมตตาทำเฉียงใดเพื่อเมตตาเป็นใหญ่ทำให้เป็นใหญ่ไม่ใช่อายุไม่ใช่เจติดยศชื่อเฉียง ทำเป็นอย่างคุ้มของโลกได้เออนนี้แหละนะวันนี้นะนเนาะเนเวลากรบพระพุัน